ในการครั้งนั้นเทวดาผู้สิงอยู่ที่สเสวตฉัดแห่งบร ม, มกษัตริย์ไม่ได้สดับธรรมเทศนาแห่งพระโพธิสัตว์จึงพิจารณาดูว่าเกิดเหตุอะไรเนอะก็ทราบเหตุนั้นจึงคิดว่าเราจะทำให้พระโพธิสัตว์ได้กลับมาอยู่บ้านตามเดิมครั้นเวลาราตรีจึงแหวกคำภูฉัดออกมาถามปัญหาพระเจ้าวิเทหราชสี่ข้อมีคาว่า ผันติผัดเทหิปาเทหิเป็นต้นซึ่งเป็นปัญหาอันเทวดาถามในจตุกนิบาทพระราชาได้ทรงสดับเทวะปัญหานั้นยังไม่ทรงทราบจึงตรัสตอบเทวดานั้นว่าข้าพเจ้ายังไม่รู้จักถามบัณฑิตอื่นๆก่อนแล้วตรัสการผ่อนผันสักวันหนึ่งครั้นรุ่งขึ้นจึงส่งสารไปบอกบัณฑิตทั้งสี่คนมาเฝ้า รั้นอาจารย์ทั้งสี่ทูลว่าพวกตนศีษะโล้นด้วยคมมีดโกนเดินตามถนนมีความอายจึงโปรดให้ท่งนาฬิกาปัดหมวกผ้าไปพระราชทานสี่อันให้เอานาฬิกาปัดนั้นๆสวมศีษะมาเฝ้าได้ยินว่านาฬิกาปัดเกิดขึ้นแต่การนั้นมาจนบัดนี้อาจารย์ทั้งสี่ก็มาเข้าเฝ้านั่งนอาสนะที่ปูลาดไว้ ลำดับนั้นพระราชาตรัสว่าท่านอาจารย์เสนกะคืนวันนี้เทวดาผู้สิงอยู่นสเวตชัติถามปัญหาเราสี่ข้อเราขอผลัดว่ายังไม่รู้จักถามพวกท่านท่านเสนกะจงบอกปัญหานั้นแก่เราตรัชนีแล้วจึงถามปัญหาเป็นปฐมว่า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 แม่อาจารย์อีกสามคนก็หมดความคิดพระราชาทรงวิปฏิสาลครั้นในส่วนแห่งราตรีเทวดาถามอีกว่าทรงทราบ ป, ปัญหาแล้วหรือก็ตรัสตอบว่าข้าพเจ้าได้ถามบัณฑิตทั้งสี่แล้วเขาก็ไม่รู้เทวดาจึงกล่าวขู่พระราชาว่าอาจารย์ทั้งสี่นั้นจะรู้อะไรเวนมโหสดบัณฑิตเสีย ใครๆอื่นจะสามารถกล่าวแก้ปัญหาเหล่านั้นย่อมไม่มีถ้าพระองค์ให้เรียกมโหสถมาให้กล่าวแก้ปัญหานั้นนั่นแหละจะเป็นการดีถ้าไม่เรียกมโหสถมาให้กล่าวแก้ปัญหาเหล่านั้นข้าพเจ้าจากทำลายเสียงของพระองค์ด้วยคอ้อนเหล็กอันลุกโคลงนี้กล่าวขู่ชนนี้แล้วทูลเตือนว่าแนมหาราชเมื่อต้องการไฟไม่ควรจะเป่าหิ่งห้อย หรือเมื่อต้องการน้ำนมไม่ควรจะรีดเขาโคชักขัดโชปนกะปัญหาในปัญจกะนิบาทนี้มากล่าวคาถาว่าใครเล่าเมื่อไฟนี้ลุกโลงอยู่ยังเที่ยวหาไฟอีกโดยไม่ใช่เหตุบุคคลเห็นหิ่งห้อยในราตรีก็สำคัญว่าไฟขยี้จุนโคมัยอละเอียดหรือหญ้าโรยบนหิ่งห้อย ก็ไม่สามารถให้ไฟลุกโผลงด้วยสำคัญวิปริตฉันใดคนอันธพาลดุดคนใบ้แม้สแสวงหาสิ่งที่ต้องประสงค์โดยไม่ใช่อุบายก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องประสงค์นั้นฉันนั้นนมโคไม่มีที่เขาโคบุคคลรีดนมโคที่เขาโคก็ไม่ได้นมโคฉันใดบุคคลสแสวงหาสิ่งที่ต้องการในที่ไม่ใช่ที่จะหาได้ ก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องการฉันนั้นชนทั้งหลายลุถึงสิ่งที่ต้องการด้วยอุบายต่างๆคือด้วยข่มศัตรูและยกย่องเหล่ามิตรพระเจ้าแผ่นดินทรงครองแผ่นดินอันมีทรัพย์สมบัติได้ด้วยเหล่าอมาัดมีเสนีเป็นประมุขและความแนะนำของอมัดผู้คุ้นเคยบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าลุกโพลงอยู่สันตมหิ ปัดโชเตความว่าเมื่อไฟมีอยู่คำว่ายังเที่ยวหาไฟอคิปริเยสนังจะรังความว่าหาโดยมิใช่อุบายคำว่าเห็นอัทักขิได้แก่เห็นแล้วครั้นเห็นแล้วก็สำคัญหิ่งห้อยนั้นอย่างนี้ว่านี้จักเป็นไฟเพราะมีแสงเหมือนกันคำว่าบุคคลหิ่งห้อย สวาสะความว่าเขาเอาจุนโคใหม่ละเอียดและยญ้าโรยบนหิ่งห้อยนั้นคำว่าขยี่อภิมัดถังความว่าบุคคลนี้ชื่ออะไรเอามือขยี่จุนโรยจุนโคลใหม่และยญ้านั่งคุกเข่าบนพื้นดินแม้พยายามด้วยความสำคัญอันวิปริตว่า เราจากเอาปากเป่าให้มันลุกโผล่ก็ไม่อาจให้ลุกโผล่ได้คำว่าคนใบ้มูโคความว่าคนอันธพาลเช่นกับคนใบ้แม้สแสวงหาด้วยมิใช่อุบายอย่างนี้ย่อมไม่ได้ประโยชน์นั้นคำว่าที่เขาโคยัตถะความว่า ย่อมไม่ได้สิ่งที่ต้องการเหมือนคนรีดนมโคจากเขาโคซึ่งไม่มีน้ำนมเลยคำว่าด้วยเหล่าอมาัดมีเสนีเป็นประมุขเสนีโมกขูปลาเพนะได้แก่เพราะได้เหล่าอมาัดซึ่งมีเสนีเป็นหัวหน้าคำว่าและความแนะนําของอมัดผู้คุ้นเคยวัลภานังณนะเยนะจะได้แก่ ด้วยความแนะนำของเหล่าอมารรตผู้มีความคุ้นเคยผู้เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจคาว่าพระเจ้าแผ่นดินชะคตีปาลาได้แก่พระราชาทั้งหลายย่อมครองแผ่นดินนี้แหละซึ่งได้ชื่อว่ามีทรัพย์สมบัติเพราะทรงไว้ซึ่งรัตนทั้งหลายคือแก้วเทวดากล่าวขู่พระราชาว่า ชนทั้งหลายในเมื่อไฟมีอยู่ก็หาเป่าหิงห้อยเหมือนกับพระองค์ไม่ข้าแต่พระมหาราชเจ้าก็พระองค์ตรัสถามอาจารย์ทั้งสี่มีเสนกะเป็นต้นก็เป็นเหมือนครั้นเมื่อไฟมีอยู่ทรงเป่าหิ่งห้อยเหมือนคนทิ้งตราชูเสียแล้วช่างด้วยมือและเหมือนเมื่อต้องการน้ํานมก็รีดเอาแต่เขาโคฉะนั้นอาจารย์ทั้งสี่เหล่านั้นจะรู้อะไร เพราะเขาเหล่านั้นเช่นกับหิ่งห้อยมโหสถบัณฑิตเช่นกับกองเพลิงใหญ่ย่อมรุ่งโรดด้วยปัญญาขอพระองค์โปรดให้หามโหสถมาตรัสถามเถิดเมื่อพระองค์ไม่ทรงทราบปัญหาเหล่านั้นพระชนม์ชีพของพระองค์จะไม่มีทูลคุกคามชนีแล้วก็อันตรธานหายไปปัญหาหิ่งห้อยจบ